ใบไม้เนี่ยเวลามันร่วงลงมาจากต้นไม้เนี่ยมันเราอาจจะทํานายจุดตกมันยากแต่ว่าถ้าเรารู้แรงโน้มถ่วงที่ชัดเจนมวลของใบไม้ที่ชัดเจนลักษณะธรรมชาติของลมที่ชัดเจนใบไม้เนี่ยมันเลี้ยงไม่ได้ที่จะต้องมีจุดตกที่แน่นอนจุดหนึ่งในอนาคตของมันเหมือนมันถูกล็อกอนาคตมันถูกล็อกไว้ชัดเจนแ<ฆ>นะนวคิดนี้เขาเรียกดิเทอร์มินิซึมนะครับดิเทอร์มินิสติกคือรู้แจ้งเห็นจริงทั้งอดีตและอนาคตแล้วถ้าถามว่าเอาแล้วมนุษย์เราเรามีเจตจานงในการเลือกสิ่งต่างๆใช่ไหม ตามแนวคิดของลาปเลสเดมอนนะแต่สมองของเราเป็นสสารความคิดมันมาจากสมองมาจากสัญญาณไฟฟ้าสารเคมี <Huh. S 1> สิ่งเหล่านี้เนี่ยมองให้ลึกเข้าไปมันก็เป็นเพียงสสารที่เป็นไปตามกฎบางอย่างและ oh. การตอบสนองที่ชัดเจนเท่านั้นการเลือกของเราอาจจะเป็นแค่สิ่งที่เราคิดไปเองว่าเราได้เลือก You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears ไดดในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวประโยคที่บอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือว่าเพียงแค่ผีเสื้อขยับปีกเนี่ยก็เกิดพายุได้ประโยคแบบนี้นะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินกันที่ทำให้เห็นว่าการกระทำที่ดูเล็กๆน้อยๆเนี่ย มันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือว่าส่งผลกระทบเป็นทอดทอดได้แต่มันไม่ใช่แค่สวยงามสําหรับการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะความสวยงามของมันทางฟิสิกส์จริงๆแล้วประโยคเหล่านี้มันคือทฤษฎีอะไรทางฟิสิกส์บ้างวันนี้มาฟังแล้วก็มาเข้าใจไปพร้อมๆกันกับใดๆในโลกล้นฟิสิกส์ค่ะวันนี้อยู่กับฟางรัตทรโรจิตพนานะคะและผมปองแปงอัจวรงจันทมาศครับต้องสารภาพว่าประโยคที่เราพูดกันเมื่อกี้นะคะพี่ปองแปงฟังได้ยินครั้งแรกเนี่ย ในห้องเรียนปรัชญาเชื่อไหมเพราะว่าไม่ได้เรียนสายวิทย์ไงวิชาที่ได้เรียนเนี่ยอาจารย์พูดประโยคนี้แต่ว่าใจความหมายว่าเขาสอนอะไรลึกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้จำได้แม่นนักแต่ว่าก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆมันเป็นทฤษฎีทางฟิสิกใช่ไหมคะใช่เลยนะครับคือคำว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือผีเสื้อกระพือปีกปรากฏการ์ตัวฟลายเอฟเฟกมาจากฟิสิกเลยแหละ แต่ก่อนจะไปถึงฟิสิกส์เนี่ยเรามาคุยถึงคำคำนี้ก่อนก็ได้ว่ามันหมายความว่ายังไงน้องฟางเข้าใจว่ายังไงฟังว่าไอ้ตัว ด, ดอกไม้เอสะเทือนไปถึงดาวมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบเล็กเล็ก เ, กเก็มากๆที่อยู่แค่แบบที่พื้นโลกแต่ว่าเขาเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มันแบบใหญ่ไปถึงนอกโลกอะไรเงี้ยอื อ, อ, อก็คือว่าคํากล่าวเนี้ยเอาจริงๆถ้าพูดแบบไทยๆนะก็คือน้าพึ่งหยดเดียวนะครับว่า เหตุการณ์เล็กๆบางอย่างเนี่ยนะฮะอาจจะส่งผลกระทบใหญ่โตในอนาคตหรือในสถานที่อื่นๆได้ะนะนี่คือใจความของความกล่าวนี้ซึ่งเราก็จะเห็นในแง่ของในปรัชญาเนาะในหนังอะ่ะในหนังเนี่ยมัน ม, มีเหมือนกันนะมันมีหนังเรื่องบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคุ้นๆแต่จะไม่ได้ว่าเคยดูไหมหรือจะเอาเรื่องอะไรก็ได้ประเด็นก็คืออย่างนี้ธีมของหนังเหล่านี้นะมักจะเป็นการที่พระเอก ย้อนเวลากลับไปแล้วก็ไปเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึง่ง oh. พอเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไม่มากนะฮะแต่เหตุการณ์เนี่ยมันส่งผลต่ออนาคตแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือหรืออะไรแบบนี้คือคือส่งผลกระทบมหาศาลเลยนะถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยผมนึกถึงเรื่องตกเกียวรีเบนเจอร์เคยได้ยินไหมไม่เคยคะ่ะเออก็สนุกดีนะครับใครไม่เคยดูก็ลองดูได้มันจะเป็นพระเอกเนี่ยพยายามไปแก้ไขอดีตอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ปรับอะไร จริงๆก็พอสมควรแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบไปก่อปฏิวัติอะไรพวกนี้นะก็ปรับเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตบ้างแล้วก็ในอนาคตมันเปลี่ยนเยอะออนะหรือมันจะมีคำกล่าวประเภทว่าเสียตะปูต่อเกือกม้าไปแค่หนึ่งอันเนี้ยทำให้เราไม่มีเกือกมาอ้าหนึ่งเกือกแล้วม้าตัวนี้มันก็วิ่งไม่ดีแล้วพอม้าตัวหนึ่งวิ่งไม่ดีเนียถ้าบังเอิญมันเป็นม้าส่งสารเนียข้อมูลข่าวสารในการศึกก็ไม่ถูกส่ง อาจจะทำให้ศึกสงครามครั้งนั้นเนี่ยพ่ายแพ้<อ>แล้วก็เสียอาณาจากักร อ, อันนี้เป็นคำกล่าวผมจำไม่ได้ว่ามาจากไหนนะ<ฆ>แต่ว่ามันกล่าวถึงอะไรประมาณนี้ก็คืออาณาจักรเนี่ยล่มสลายลงเพราะขาดตะปูต่อเกือกมาเล็กๆอันเดียวฟองมี me, อีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> คือดูเรื่อง about time พี่ปองแปงอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าสงครามแต่อันนั้นเป็นเรื่องของลูกชายเขาคือเขากับย้อนเวลากลับไปแล้วไปแก้ แค่ไม่ให้น้องสาวเนี่ยไม่ต้องออกบ้านวันนั้นเพื่อไปเจออุบัติเหตุกลายเป็นว่ากลับบ้านมาลูกเป็นอีกคนหนึ่งช่วงเวลาที่มันเพียงนิดเดียวอ่ะหรือว่าเราไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไม่รู้นะการปฏิสนธิอะไรในนั้นอ่ะก็คือกลายเป็นลูกเป็นแบบใครก็ไม่รู้เปลี่ยนไปเลยอืมเนาะไอ้ตรงเนี้ยผมว่าเราดูแล้วเราเข้าใจง่ายเพราะในชีวิตเราเนี่ยหลายๆคนก็คงจะจินตนาการถึงอนาคตว่าถ้าวันเนี้ไปสอบสัมภาษณ์ งานสำคัญมากหรือไปประชุมอะไรสักอย่างแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างทำให้ประตูรถอะไรสักอย่างหนึ่งมันปิดก่อนที่เราจะขึ้นแค่ขึ้นกับไม่ขึ้นเนี่ยส่งผลต่อ ง, งานมากซึ่งก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะหรืออย่างทำข้อสอบก็ได้บางทีเส้นแบ่งระหว่างสอบติดกับไม่ติดของหลายคนน่ะ ม, มัน มันขึ้นกับคะแนนไม่กี่คะแนนและภายในจํนนานวนคะแนนเล็กน้อยนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเราไปได้เยอะอดังนั้นคํากล่าวเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเรียกอะไรมันมันทัชใจคนมัน ม, มันรู้สึกได้ว่าเอออนาคตเราอาจจะเปลี่ยนไปเพราะเหตุเล็กๆน้อยๆอยได้เนาะค่ะค่ะซึ่งตรงเนี้ยจริงไม่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของปรัชญานะครับมันต้องคุยกันโดยแบบปรัชญาทกเถียงกันดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างแบบจําลองชีวิต ข, ขึ้นมาได้อะไรแบบนี้แต่ว่า ในทางฟิสิกเป็นยังไงเนาะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ย้อนกลับไปในประมาณปี1961นานประมาณสัก60กว่า ป, ปีละ60ปีนะฮะโอ้นานมากเลยนะในตอนนั้นเนี่ยนักฟิสิกกําลังค่อนข้างตื่นเต้นกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันไม่ใช่ของที่แพร่หลายเนาะใช้ในงานวิจัยหรือว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่โตมา ก, มา ก, มากๆอะไรเงี้ยถึงจะมีมันไม่ได้เล็กเท่านี้ด้วยว่ามันต้องแบบมีเค่องอะไรมหาศาลใช่แล้วก็ไม่ได้ใช้ง่ายนะครัในยุคนั้นเนี่ย มีนักฟิสิกส์คนหนึ่งเขาชื่อคุณเอ็ดเวิร์ดโลเรนนะครับเขาเนี่ยศึกษาการพยากรณ์อากาศแล้วเขาค้นพบอะไรแปลกๆบางอย่างว่าคือการพยากรณ์อากาศเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ก่อนคือเราก็จะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอากาศในใ น, ในปัจจุบันเนาะเช่นความชื้นความดันอุณหภูมินะอะไรพวกนี้แล้วก็ป้อนเข้าไปให้คอมพิวเตอร์อซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีแบบจาลองต่างๆทางสมการอะไรของมัน แล้วสุดท้ายพอเวลาผ่านไปมันก็จ ะ, จ, ะจะรันเลขเหล่านี้ออกมาตามแบบจำลองคิด ค, คิดคิดคิดคิ ด, คดแล้วพอผ่านไปมันก็จะขายเลขออกมาให้เราเป็นเป็นผลการพยากรณ์ทีนี้คุณเอ็ดเวิร์ดโลเรน์เนี่ยเขาค้นพบความประหลาดอย่างหนึ่งคือแทนที่เขาจะป้อนเลข บ, บางอย่างเข้าไปแบบชัดเจนแบบตัวอย่างนะครับแทนที่จะป้อนเลข 0.506127 ้าอเข้าไปซึ่งโหเลขมันเยอะเห<า>ลือเกินไอ้หลังๆเนี่ยเาลองตัดทิ้งดูะะเป็น 0.506 ไอ้127ลองตัดทิ้งไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเขาปัดไหมคะเขาปัดขึ้นปัดลงปัดทิ้งไปเลยไอ้ไอ้เนี่ยปัดทิ้งไปเลยนะ7นหนึ่งมันต่ำกว่า5้ตัดทิ้งตัดทิ้งอะไรแบบนั้นนะเขาลองตัดทิ้งปรากฏว่าพอรันเครื่องคอมพิวเตอร์ไปนะผลในระยะยาวของการทำนายเนี่ยดันแตกต่างกับการเก็บเลขทศนิยมหลังๆเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเลย แปลว่าไอ้หนึเนี่ยมีความหมายมากใช่ในระยะยาวอช่วงแรกๆเนี่ยระหว่างเก็บเลขหลังๆไว้กับไม่เก็บนะฮะมันแทบไม่ต่างกันมันก็คลอกๆกันไปแล้วมันค่อยๆพอเวลาผ่านไปมันค่อยๆแยกแล้วพอผ่านไปสักพักระยะหนึ่งเลยผลลัพธ์มันต่างกันเยอะมากเพราะไอเ้เศษทศนิยมหลังๆเนี่ยอ่อมันทําให้เขารู้สึกแปลกประหลาดใจใรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมทศนิยมหลังๆมันไปส่งผลขนาดนี้ได้ เขาก็เลยตีพิมพ์งานวิจัยก็ศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตีพิมพ์งานวิจัยชื่องานวิจัยเนี่ยประมาณว่าพิเสื้อที่กระพือปีกนะฮะอยู่ในบราซิลเนี่ยจะส่งผลกระทบให้เกิดพายุทอร์นาโดในเท็กซัสได้หรือไม่อ๋อซึ่งในประโยคนั้นมันเป็นการเปรียบเปยถูกไหมเปรียบเปยว่ามลมเล็กๆการพยากร์อากาศมันก็จะมีกระแสลมอะไรพวกนี้เหมือนลมเล็กๆจากการกระพือปีกของพิเสืออ้อที่อยู่ในบราซิลเนี่ยมันไปส่งผลกระทบจน ระยะยาวจนกลายเป็นพายุใหญ่ในอเมริกาเนี่ยได้หรือไม่ได้ตั้งเป็นคำถามไว้แล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนักฟิสิก์ก็สนใจนะครับมันก็ป๊อปขึ้นมาแล้วก็ได้รับการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้เลยนะแต่ต้องบอกว่าถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องเนี้ยอย่างถ่องแท้ร้อ็นะครับมันเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ ยังเกิดการค้นพบใหม่ๆอยู่ะนะฮะคือหนังสือเรียนหลายๆเล่มอ่ะมีแล้วแหล ะ, ะ, ละแต่ว่าเรื่องใหม่ๆหลายๆอย่างยังถูกค้นพบอยู่น่าทึ่งนะระบบลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีความอ่อนไหวต่อค่า เริ่มต้นหรือตัวแปรเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอพอเราไปเซิร์ชตอนที่จะมาคุยกันเรื่องเนี้ฟังก็ไปเซิร์ชเราจะเจอชื่อของคนอีกคนหนึ่งคะ่ะที่บอกแบบที่ชื่อว่าคุณลาปลาสหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะปีเอสซีมงเดลาปลาสแล้วคนคนนั้นเขามาต่อยอดหรือเขาเป็นนักฟิสิกส์ในยุคไหนนะคะเขาเป็นคนที่อยู่ในยุคอยู่ในช่วงเวลาแถวแถวไอแซคนิวตันก็แล้วกันะก น, นะฮะลาปลาสเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์อัจฉริยะคนหนึ่งเลยนะครับเป็นอัจฉริยะที่มีสตอรี่ชีวิต ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะแต่เอาผลงานเ็าลวกันถ้าเรียนวิศวะจะได้รู้จักเขาเรียกการแปลงแบบลาปลาสคือเป็นอะไรที่เด็กวิศวะบางทีก็ปวดหัวแต่ว่าคุณลาปลาสเนี่ยยังคิดอะไรที่เกี่ยวกับกลศาสตร์คลาสสิกเยอะมากคืออย่างนี้กลศาสตร์คลาสสิกเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจมันนะจะพบว่าเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ควรจะก่อให้เกิดผลลัพธ์เล็กๆน้อยๆสิเช่นผมออกแรงผลัก ไอ้ตัวเนี้ยสมมุติ1 0นิวตันนะสมมติกับ1 0 0 1นิวตันอย่างเงี้ยมันแทบไม่ต่างกันนะนิดเดียวผลก็ต้องไม่ต่างกันมานะเมกเซนเตะลูกฟุตบอลออกไประหว่างออกแรง3 0นิวตันกับ3 0 0 0 5บนิวตันถามว่ามันตกจุดตกมันต่างไหมต่างแต่มันก็ไม่ควรจะแบบคงจะต่างแค่เล็กน้อยใช่นะฮะเรื่องนี้มันทำให้นักฟิสิกส์อย่างคุณลาปลาสเนี่ยเกิด ความคิดบางอย่างขึ้นมาเขาเรียกว่าลาปลาสเดมอนทุกวันนี้เขาเรียกแบบนั้นคือคุณลาปลาสจินตนาการว่าสมมุติว่ามีปีศาจอยู่ตัวหนึ่งเป็นปีศาจที่ทรงพลานุภาพมากเลยแบบทรงสติปัญญาเรื่องอำนาจแบบว่าร่วงรู้สถานะทั้งหมดในเอกภพทั้งปัจจุบันแค่ปัจจุบันนะสมมุติว่าตอนนี้มันรู้หมดเลยว่าอนุภาคแก๊สที่อยู่ตรงโน้นตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนความเร็วเท่าไหร่รู้ทั้งเอกภพเลยคุณลาปลาสบอกว่า เอกภพเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องจักรเพราะว่ามันไม่มีวันที่จะทําอะไรด้วยเจตจํานงของมันนะฮะสิ่งต่างๆโตะ๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆมันเป็นมันเป็นสิ่งของเนาะมันก็จะเคลื่อนไปตามกฎทางฟิสิกส์บางอย่างค่ะอย่างบิดพลิ้วไม่ได้ใบไม้เนี่ยเวลามันร่วงลงมาจากต้นไม้เนี่ยมันเราอาจจะทํานายจุดตกมันยากแต่ว่าถ้าเรารู้แรงโน้มถ่วงที่ชัดเจนมวลของใบไม้ที่ชัดเจนลักษณะธรรมชาติของลมที่ชัดเจน ใบไม้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีจุดตกที่แน่นอนจุดหนึ่งในอนาคตของมันยังไงก็ต้องรู้ว่าแต่ละสิ่งมันจะเป็นยังไงถ้าเรารู้ปัจจัยต่างๆครบถ้วนเหมือนมันถูกล็อกอนาคตมันถูกล็อกไว้ชัดเจนแ<ฆ>นวคิดนี้เขาเรียกยูเทอร์มินิซึมนะครับยูเทอร์มินิสติกแล้วก็ย้อนกลับไปอดีตเนี่ย ก, ก็จะรู้ได้ชัดเจนว่าอาดีตเป็นอย่างไรคือรู้แจ้งเห็นจริงทั้งอดีตและอนาคตแล้วถ้าถามว่าเออแล้วมนุษย์เราเรามีเจตจํานงในการเลือกสิ่งต่างๆใช่ไหม ตามแนวคิดของลาปุสต e ดีมอนนะเราอาจจะมองได้ว่าแต่สมองของเราเป็นสสารความคิดมันมาจากสมองมาจากสัญญาณไฟฟ้าสารเคมี<ฆ>สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามองให้ลึกเข้าไปมันก็เป็นเพียงสสารที่เป็นไปตามกฎบางอย่างและการตอบสนองที่ชัดเจนเท่านั้นเราก็เป็นเพียงกลไกหนึ่งเท่านั้นเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนกว่าตู้เย็นกว่าเครื่องจักรอย่างรถยน เท่านั้นเองมันยากจะทำนายแต่ถ้าลาปลาสดีมอนมันรู้สถานะทุกอย่างของร่างกายเราเนี่ยเขาจะรู้วิธีการยัย่วยุทำอะไรบางอย่างให้เราแสดงออกไปตามที่เขาต้องการอย่างร้อยเอร์ซการเลือกของเราอาจจะเป็นแค่สิ่งที่เราคิดไปเองว่าเราได้เลือก อ, อันนี้เป็นแนวคิดปรัชญานะนะฮะลาปลาสดมอน<ะ>ใช่แต่แนวคิดเนี้ยฟังดูแบบดูแบบเวอร์นะ แต่ลึกๆนักฟิสิกส์ยุคคลาสสิกมาจนถึงไอน์สไตน์เชื่อนะ oh. เพราะว่าสมการทางฟิสิกส์คลาสสิกมันเป็นอย่างนั้น <Ha. S 1> เราใช้สมการแรงโน้มถ่วงอะไรต่างๆเนี่ยทํานายการเกิดสุริยุปราคาชัดเจนได้เป็นร้อยปีอะไรเงี้ยย้อนกลับไปก็ได้อะไรมันมันดูถูกล็อกไว้หมดจริงๆ <Ha. S 1> ถามว่าเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันที่มันไม่แม่นเนี่ยบางคนก็บอกก็แค่วัดให้มันแม่นขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเดี๋ยวก็ทำนายได้เองอย่างนั้น จนกระทั่งมีการค้นพบ2อย่างก็คือหนึ่งเลยก็คือทฤษฎีควอนตัมนะฮะตอนนี้ก็กลับไปดูตอนเราเคยทำแล้วแน่นอนตอนเกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมซึ่งมันทำให้แนวคิดเกี่ยวกับลาปลาสเดมอนเนี่ยถูกท้าทายอย่างแรงเลย<อ>นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าการจะไปรู้สถานะของอนุภาคให้แม่นยำาออย่างนะฮะหรือหลายๆตัวแปรให้พร้อมๆกันเนี่ยมัน ให้แม่นพร้อมกันเป็นไปนไม่ได้มันมีมหลักความไม่แน่นอนห้ามเอาไว<ะ>้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์บางอย่างมันมันออกมาแบบสุ่มอะอมนะดังนั้นในระดับฟิสิกส์ระดับอนุภาคเล็กๆ เ, เนี่ยตาพลัสเดมอนมันใช้ไม่ได้มันพังทลายลงนะครับในหลายๆสถานการณ์เลย<ะ>แล้วในระดับคลาสสิกก็ยังเจออีกเรื่องหนึง่งก็คือระบบที่อ่อนไหวต่อค่าตั้งต้นหรือตัวแปรเริ่มต้นที่คุณลอเรน์ค้นพบเนี่ย เขาเรียกว่าทฤษฎีที่ชื่อว่า chaos theory ทฤษฎีที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์สภาพอากาศเนี่ยนะคือสภาพอากาศเนี่ยมันอ่อนไหวต่อเงื่อนไขเริ่มต้นมากๆได้ยินคำว่า chaos เนี่ยบ่อยๆจริงๆแล้วมันมันคืออะไรคะคำอธิบายมันทฤษฎีเนียเขาชื่อว่า chaos theory ภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่าทฤษฎีโกลหนนะครับคือมันเป็นทฤษฎีที่ ระบบเนี่ยดูเหมือนจะไร้ระเบียบหรือสุ่มอย่างคาดการอะไรไม่ได้แต่จริงๆมันมีระเบียบแบบแผนของมันที่ชัดเจนอยู่เพียงแต่ว่ามันมีความซับซ้อนแล้วมันก็อ่อนไหวต่อเงื่อนไขเริ่มต้นมหมายถึงว่าตัวแปรตั้งต้นที่ใส่เข้าไปเนี่ยถ้าถ้าเปลี่ยนไปนิดเดียวเนี่ยเอาคำหรือผลลัพธ์ในอนาคตระยะยาวเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเยอะมากมนะครับมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ ท้าทายต่อการศึกษาท้าทายต่อการทดลองท้าทายต่อการพยากรณ์เพราะว่านักฟิสิกส์เองก็มีฟิสิกส์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์อนาคตที่น่าภาคภูมิใจเราทำนายสุริยปราคาทำนายอะไรต่างๆชัดเจนเแต่เคออสเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นว่าแม้แต่ระบบที่ดูเรียบง่ายบางอย่างก็ในระยะ aw, ยาวคุณอาจจะเจอปัญหาในการพยากรณ์ได้ถามว่ามันท้าทายลาบลาสเดมอนตรงไหนคําตอบก็คือ ถ้าเราเอามาทดลองซ้ำเนี่ยไอ้ระบบแบบนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าทศนิยมหลังๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเป็นเคาสน ะ, ะซึ่งก็จะแย้งกับคุณลาปา ท, ที่บอกว่าเอ้ยมันทุกอย่างมันกาหนดไว้แล้วจริงๆมันไม่แยง้งคืออย่างนี้คือคือทุกอย่างมันยังถูกกาหนดไว้อยู่นะ คือในระบบของเควอสเนี่ยเอ๊ะอันนี้ถามดีมากเลยเพราะว่าสมัยที่ผมเรียนเรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ยก็สับสน<ะ>คิดว่ามันคงแย้งแบบมันแย้งกันไห ม, มจริงๆแล้วมันไม่ได้แย้งว่าระบบเนี่ยมันไม่ได้ถูกล็อกระบบะยังถูกล็อกหมายความว่าสถานะเริ่มต้นของลูกตุ้มเนี่ยถ้าเราปล่อยที่ค่าหนึ่งชัดเจนไปถึงทศนิยมเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยนะครัรันไปสักกี่พันปีก็ตาม ม, มันต้องออกมาเลขเดิมเสมอตำแหน่งของมันมเลยนะเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย การจะไปรู้ทศนิยมหลังๆแบบนี้เนี่ยหรือการไปจะไปรู้ว่าทศนิยมแบบนี้เราจะเซตอัพอย่างไรหรืออะไรแบบเนี้ยมันท้าทายในเชิงปฏิบัติเท่านั้นเองอระบบยังเป็นดีเทอร์มินิสติอนาคตยังถูกล็อกอยู่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องรู้ไปถึงทศนิยมเท่าไหร่กันแน่เราจะต้องเก็บทศนิยมถึงเท่าไหร่หรือเรามีโอกาสปัดไว้ถึงแค่ไหน<ฆ>นะฮะแต่จริงๆการศึกษาเรื่องนี้มันทําให้เรารู้ขีดจํากัดได้ดีนะ จริงๆเราย้อนกลับไปก่อนที่คุณเอ็ดเวิร์ดลอเรนส์จะเจอการพยากรณ์อากาศที่เป็นปัญหานะประมาณหลายสิบปีเลยจริงๆมันมีคนเจอก่อนแล้วด้วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเจอกับเรื่องระบบแรงดึงดูดวัตถุสามวล<ะ>คือปกติเนี่ยเวลาเรียนเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเนี่ยเราจะมีวัตถุแค่สองก้อนอนะครับเด็กๆ ก, ก็เรียนกันแบบนั้นเอลียตรีอะไรก็เรียนกันแค่2ก้อนถ้าเพิ่มสาเป็น3ก้อนขึ้นมาเนี่ยซับซ้อนอนรก ก็จะเรียกว่าแรงดึงดูดของวัตถุสามก้อนถ้ามูลมันเท่าๆกันด้วยเนี่ยนะฮะคือแบบตัดตัวไหนทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยซับซ้อนมากแล้วคุณคนนั้นคนี้เขาชื่ออองรีปงกาเร่เขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งมากเขาก็ค้นพบเควอสมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเฮ้ยระบบวัตถุ3ามก้อนเนี่ยมันอ่อนไหวต่อสถานะเริ่มต้นมากเลยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยนักที่สิไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ถามว่าทาไม ก็คุณเอ็ดเวิร์ดลอเรนส์เจอบัตเตอร์ไฟล์เอฟเฟกต์ประมาณปี1961แถวนั้นหลายสิบปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนักฟิสิกส์ไปตื่นเต้นกับทฤษฎีควอนตัม<อ>ไปตื่นเต้นกับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษสัมพัทธภาพทั่วไปของอตื่นเต้นกับไอสตา์อะไรเงี้ยคนก็ไม่ค่อยจะมาะระบบคลาสสิกมันไม่ค่อยเย้ายวนเลยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบน่าเรำคาญการจะวิเคราะห์มันเนี่ยค่อนข้างจะต้องการคอมพิวเตอร์มากๆ แล้วในยุคของคุณปวงกาเลยเนี่ยการจะมันยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่แบบออกมาคำนวณอะไรแบบนี้ได้การจะไปวิเคราะห์หรืออะไรมันด้วยด้วยมือมนุษย์เนี่ยมันมันเป็นเรื่องสิ้นหวังอะ่ะมันมันไม่ไหวอ่ะมันโอ้มั น, ม, นมันไปต่อไม่ค่อยได้คนก็เลยไม่ค่อยได้สนใจนะครับแต่ว่ายุคนี้เราก็รู้แล้วว่าคุณปวงกาเลยเนี่ยไปเจอก่อนคุณลอเลนซ์อีกแต่คุณลอเนซ์เนี่ยทให้ ระบบนี้มันป๊อปปูล่าขึ้นมาแล้วก็ถูกศึกษาค่ะถ้าฟังมาถึงตอนนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ต้นต้นคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแนวคิดที่บอกว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้อยู่แล้วแต่วันหนึ่งก็มีสิ่งที่มาท้าทายมันว่าเฮ้ยมันมีบางบางอย่างอ่ะที่ไม่ได้ทำนายได้ง่ายๆในทางปฏิบัติใช่แล้วสิ่งเหล่านี้ที่เขาถกเถียงกันหรือเขาต่อยอดกันมาเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีคิดของการศึกษาฟิสิกส์หรือว่าวิทยาศาสตร์ไปยังไงอะคะพี่บงเต้อย่างแรกเลยคือมันทําให้ นักฟิสิกรู้ว่าระบบธรรมชาติของฟิสิกคลาสสิกซึ่งฟิสิกคลาสสิกคืออะไรเราก็เคยพูดไปแล้วเนาะอลองไปดูกันคือฟิสิกคลาสสิกที่มันดูชัดเจนออกแรงเท่าไหร่กระทาต่ออะไรเนี่หยหลายๆระบบเนี่ยมันเราอาจจะมีขีดจํากัดในการทํานายอยู่ถ้ามันเป็นระบบเคาส์มันทํานายยากมากเลยในอนาคตอันไกลโพ้นนะครับการรู้ขีดจํากัดเนี่ยก็ทําให้เป็นความรู้ที่สําคัญมากนะฮะ อย่างน้อยที่สุดถ้าเราจะออกแบบระบบบางอย่างไม่ให้เป็นเควอสเราจะทําอย่างไรอะไรนี้ด้วยนะจากที่บอกมันทําให้เรารู้ขีดจํากัดเนาะแล้วก็ในการวิเคราะห์ระบบหลายหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามทํานายเอ่อพยากรณ์อากาศเนี่ยการจะพยายามทํานายให้มันแม่นเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายมากนะไออย่างผมผมเนี่ยเพิ่งเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวมา ผมแพลนทริปไว้สมเดือนล่วงหน้าคืออยากพาที่บ้านไปดูวิวสวยๆในเว็บที่เขาพยากรณ์อากาศเนี่ยก็บอกว่าท้องฟ้าปอดโปรง่งฝนเนี่ยน้อยมากสิบยีอร์ซสิบเอซนไปถึงปุ๊บไปถึงปุ๊บ <laughs> อยากเอารูปให้ดูมากเลยถ่ายเหมือนถ่ายกับฉากขาวอะ oh. เหมือนกรีนสกรีนแต่เป็นสีขาว <laughs> ผมแบบทำอะไรที่นี่วะ อ่าไม่เป็นไรรออีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นโอ้โหหมอกหนาหนาขนาดไหนนั่งอยู่ตรงกล้องเนี่ยกล้องกล้องอยู่ใกล้มากเนี่ยอ ม, อ ม, มองไม่เห็นคนแต่ในคนที่ไปแทบทุกคนเนี่ยพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าพี่ต้องไปนะวิวสวยมากอพอดีพาแม่ไปแม่ต้องชอบมากไปถึงเจอหมอกหนาแบบ ยพากรณลืมใส่สามจุดโทศนิยมนันเข้าไปแน่มันเลยทํานายยากมากแต่ที่น่าสนใจคือมนุษย์ก็ทํานายยากมากด้วยเหมือนกันอเข้าไปถึงแม่เจอหมอกแม่ชอบมากเพราะแม่ไม่เคยเห็นหมอกหนาขนาดนี้กลายเป็นว่าวันที่คุณแม่ผมถ่ายรูปเยอะสุดอ่ะคือวันที่หมอกลงนะมักเปิดดูมือถืออะถ่ายไปพันกว่ารูปไอ้วันที่แบบเห็นอะไรชัดเจนอะถ่ายไปร้อยนิดๆทํานายยากไหม เนี่ยพอเราคุยกันมาตรงนี้นะพี่ป่องแตปงกับคุณผู้ชมด้วยนะคะฟังก็ชวนทุกคนคิดตามได้วว่าเออถ้าระหว่างที่เราอัดกันเนี่ยนะเราเดิอนออกจากห้องไปถ้าเทียบกันในเหตุการณ์เราไม่ได้คุยกันวันนี้เราไม่ได้ฟังเรื่องนี้คือวันนี้ไม่ได้ทําตอนนี้อ่าหรื อ, อใครที่ดูคลิปอยู่ไม่ได้ดูตอนนี้ชีวิตเรามันจะไปอีกทางหรือเปล่า ม, มันจะเปลี่ยนไปยังไงไหมอะไร เ, เรื่องนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตในระยะ ย, ยาวแค่ไหนอืพูดยากอืม แต่ น, นี่แหละคือชีวิตเออมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต้องการันตีด้วยทฤษฎีไหนก็ได้นะจริงๆแล้วก็เป็นบางสิ่งที่ให้คุณพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเองแบบนั้น คใครฟังตอนนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างไหนลองคอมเมนต์มาฟังว่าตอนนี้สนุกมากเลยนะจะแบบ <c oughs> ได้ดิสคัทกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe นะคะยูทูบชาแนลของ t h อ Standard Podcast จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆเวลาที่เร า, เ อ, าออกรายการใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์อใหม่ๆมานะคะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ในทุกๆ Podcast Player <c oughs> เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast i- Opening For your ears.